ในวัตถุนานัตตยาณิเทศข้อ1น0เป็นต้นไปเนี่ยนะกล่าววา่าปัญญาในการกำหนดธรรมะอันเป็นภายในเนี่ยเป็นวัตถุนานัตตยาเนี่ยอย่างไรพระโยคาวจรย่อมกาหนดธรรมะทั้งหลายเป็นภายในเนี่ยอย่างไรคือย่อมกำหนดตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นภายในคือภายในตัวเองอะนะกำหนดตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยของตัวเอง ทีนี้ถามว่าพระโยคาวจรย่อมกําหนดจักรสุเป็นภายในเนี่ยอย่างไรย่อมกําหนดว่าจักรสุเกิดเพราะอวิชชาจักรโสเนี้เกิดเพราะตัณหาจักรโสนี้เกิดเพราะกรรมจักรโสเนี้เกิดเ พ, เพราะ อ, อาหารจากักรโสเนี้อาศัยมหาภูตรูปสี่ก็กําหนดว่าจักรโสเนี่ยเกิดแล้วโดยอัตตาและสันตติคือพิจารณาตัวจกักรโคโดยอัตตาและสันตติอันนี้อาจารท้าอธิบายว่าเกิดแล้วหมายถึงอัตตาและสันตติ จกักรครูนี้เข้ามาประชมกันแล้วก็ประชมแห่งปัจจัยใช่ไหมถ้าไม่ได้ปัจจัยจกักรครูไม่เกิดแล้วก็พิจารณาด้วยอนิจจาว่าจักรสุไม่มีแล้วมีก่อนหน้านี้ใครมีตาอยู่รออยู่ก่อนไหยไม่มีนะจากไม่มีแล้วมามีตาขึ้นใช่ไหมเสร็จแล้วมีแล้วก็จักไม่มีแล้วเก็บตาไว้ที่ไหนถ้าตาตาตาตัวนี้บอดไปนะจะไปเก็บไว้ที่ไหนก่อนหน้านี้มันอยู่ที่ไหน และถ้ามันหมดไปแล้วมันจะไปหายไปไปอยู่ที่ไหนอย่าแงบบนั้นแต่ผลจากไม่มีแล้วมามีขึ้นนี้สิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นไปด้วยอัตภักับสันตติเนี่ยนะที่สืบเนื่องกันย่อมกําหนดจากโสโดยความเป็นของมีที่สุดนั่นนะมันมีที่สุดแน่นอนนะที่สุดของจากโสอยู่ที่ไหนนะก็คือมันบอดแน่นอนกําหนดว่าจากโุเป็นของไม่ยั่งยืนคือไม่ได้มีความมั่นคงในในตัวเองอนะไน จากสู่นี่นะถ้าไม่มีกรไม่มีกระดูกกระบอกตามาล้อมรอบทงสายเสียหายไปนานแล้วนะไม่รู้อะไรจะเกี่ยวไว้แล้วก็ไม่รู้เนีแต่อาศัยว่ากระดูกนี่กระบอกมีอย่างอื่นมาปิดไว้หมดอ่ะนะมันก็เลยดูเหมือนกับว่าแข็งแรงใช้งานดูได้ทนได้นานจริงไม่ใช่เลยเกินไปมั้งนะพันจากสู่เนี่เป็นของไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา จกักษุไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็เจอย่างแบบที่คุ้นเคยเนะอันนี้จังสังขตังปฏิจจธรรมังขยะวยะวิปรินามะนิโรธธรรมังนั่นเองก็คือพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจยัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดา กำหนดจากสู่โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่กำหนดโดยความเป็นของเที่ยงอันนี้ก็คือโดยอนุปัสนานี่นะกำหนดโดยความเป็นทุกข์ไม่กำหนดโดยความเป็นสุขกำหนดโดยความเป็นอนัตตาไม่กำหนดโดยความเป็นอัตตากำหนดโดยความเบื่อหน่ายไม่ใช่ยินดีกำหนดโดยความคลายกำหนัดไม่ใช่กำหนัดกำหนดเพื่อให้ราคะดับไม่ใช่ให้เกิดกาหนดเพื่อสละคืนไม่ใช่ยึดถือ อันเมื่อกําหนดโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละความสําคัญว่าเที่ยงได้เมื่อกําหนดว่าโดยความเป็นทุกข์ย่อมละความสําคัญว่าเป็นสุขได้กําหนดโดยความเป็นอนัตตาย่อมละความสําคัญว่าเป็นอัตตาได้เมื่อเบื่อหน่ายย่อมละความยินดีได้เมื่อคลายกําหนัดย่อมละราคาได้เมื่อให้ราคาดับย่อมละเหตุให้เกิดได้เมื่อสละคืนย่อมละความยึดถือได้พระโยขาวปรจรย่อมกําหนดจักสุเป็นภายในอย่างนี้ อ, นนอันนี้ก็บอกวิธีพิจารณาจากสุปเลยนะเอันนี้กหนดหูก็ในย่เดียวกันเลยหูจมูกลิ้นกายก็พิจารณาแบบเดียวกันเพราะว่าเช่นกายก็เพราะอวิชชาเกิดกายจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดกายจึงเกิดเพราะกรรมเกิดนั่นแหละกายจึงเกิดเพราะว่าอาหารเกิดนั่นแหละกายจึงเกิดกายนี่อาศัยอะไรอาศัยมหาภูตรูปใช่ไหมกายจึงเกิดขึ้น งั้นกายเนี่ยที่เกิดโดยอัตถาก็คือชั่วชีวิตหนึ่งชีวิตนี่นะถ้าโดยสันตติก็ด้วยปัจจัยทั้งหลายที่เข้ามาเกื้อกูลอุปธรรมเช่นโดยอาหารปัจจัยอาหารแต่ละมื้อที่มาดํารงชีวิตอยู่หรือว่าจิตแต่ละสมุทฐานนั้นเนี่ยนะที่เป็นปัจจัยหรือว่าอุตุนั้นนั้นเป็นปัจจัยอันั้นก็สิ่งเหล่านี้อาศัยอาหารอาศัยมหาภูตรูปอาศัยจิตอาศัยอุตุอาศัยอาหารขึ้นเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วทีนี้ก็มาประชุมกันขึ้น เรารู้ไหมว่าผมของเราเนี่ยมาจากอะไรบ้างมาที่มาประชุมให้มันเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเนี่ยนะมาจากอะไรบ้างนะไม่รู้ไประดมเก็บอะไรมานักไม่รู้นะใบไม่รู้แบบใบคณะใบตําลึงใบใบ ย, ยอใบกรถินใบอะไรไม่รู้นะมาเก็บผสมผสมมารวมกันกว่าจะได้ขนาดนี้นะเก็บพืชผักต้นไม้ใบญ้า ศพกุ้งศพปลาศพไม่รู้กี่ศพเข้ามาเนี่ยมาผสมเคลา้ลากันไปมาปนกันเนี่ยนะไม่รู้น้ำมากี่บอ่อก็ไม่รู้นะไม่รู้เก็บน้ําดื่มมาจากที่ไหนมาบ้างมากว่าจะรวมตัวกันได้ขนาดนี้นะแล้วมาก่อตัวกันอยู่ได้นานขนาดนี้ไม่เสียหายสักทีหนึ่งนะนนะแข็งแรงกว่าเหล็กตั้งเยอะนะถ้าเป็นรถอายุสักสาสิปีเนี่ยพอใช้งานได้ไหมพ อ, พอได้ครับอาจารย์สาิปีนี่ถ้าเป็นรถจริงรถไม่อยู่แล้ว จะยกเครื่องไปนานเลยเนี่ยเสียหายไปพังไปน่เป็นโรถแต่นะั้นแต่ว่ามนุษย์เนี่ยโหคูณสองยังอยู่เลยนะคูณสามก็ยังอยู่หน่อยสามสิบปีคูณสามยังอยู่ได้ที่หมอคนหนึ่งเขาเล่าว่ามีคนไข้คนหนึ่งอายุเก้าสิบไปหาหมอเขาเล่าอาการสิบกว่าอย่างให้หมอฟังว่าปวดโน่นปวด น, น, วดนี่ปวดนั่นก็บอกโอ้ยคุณปู่มันธรรมดาแล้วว่า ง, งั้นวิธีแก้อย่างเดียวทํำง่ายบอกล้อมใหม่ <c oughs> ก็แปลว่าเราเกิดใหม่อย่างเดียวถ้าจะหายไม่ให้มันเป็นแบบนี้นะพมัน90กว่าแล้วเหมือนนันก็ล้อมใหม่แล้วเหมือนนั่นคนในแขนบนเหล็กนะครับคือสิ่งที่มีชีวิตมันมีสิ่งที่เติมเข้าไปด้วยคือมันมันขาดมันเติมมันขาดมันเติมเช่นกรรมมัสมุตฐานเนี่ยมันอย่างอุตูชรุปมันไม่มีการสร้างใหม่แต่กรรมมัชรุปมันสร้างใหม่ตลอดเนี่ยนะด้วยกรรมด้วยจิตตชรุปมันก็สร้างใหม่ตลอด อาหารชืรูปก็หาใหม่มาซ่อมใหม่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะโดยกรรมมาชื้รูปจิตตชืรูปอุตุชรูปก็มีการสร้างใหม่อุตุชรูปก็มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเอามาใช้ก็เลยดำรงได้ยาวแต่ถ้าใข้ครวญโดยสันตติเนี่ยน ะ, ะเช่นยกเรื่องอาหารเข้ามาอาหารหนึ่งมื้ออยู่ได้กี่วันถ้าเติมหนึ่งครั้งนะสมมติว่าให้ข้าวให้น้ําปริมาณเท่านี้ถ้าไม่ให้อีกกี่กี่วัน จ, จะตาย นะถ้าลดมานะก็แสดงว่ามีการเติมกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนน้ามันรถะนะมีการเพิ่มอยู่ตลอดเพิ่มตลอดอันนี้ในส่วนของอาหารแล้วในส่วนของจิตนะถ้าปล่อยให้โทสะอย่างเดียวเกิดนะถ้าไม่มีจิตอื่นมาขั้นไม่มีผวังสับเลยอะไรจะเกิดขึ้นภายในกี่ชั่วโมงตา ย, ตาย น, นะยเดี๋ยวก็เผาเฉาตายมางั้นเถะถ้าราคะเกิดอย่างเดียวเลยนะราคะอย่างเดียวไม่มีผวังมาสับเลยนะสมมติ ราคะเกิดมากๆๆกว่ า, า, า, าความดันหรือโรคหัวใจวายอะไรตายก็ไม่รู้ล่ะหรือถ้าไม่มีพวังไม่มีอะไรมาคั้นอ่ะนะจิตมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีปัจจัยทั้งไม่รู้กี่ปัจจัยเนี่ยเข้ามาเพื่อบำรุงรักษาเนี่ยนะแล้วก็ในส่วนของอุตุเดี๋ยวก็เราอยู่ในอุณหภูมิที่คงตัวตลอดไหมไม่ได้มีการปรับเนี่ยนะเช่นอาบน้ําเดี๋ยวก็น้ําอุ่นม้างเดี๋ยวก็น้ําเย็นบ้างเดีย๋ย ค, ค, คือมาประคบประง ม, มอยู่อย่างนี้ ก็ดูแลปกปักรักษาแล้วไหนบุญในอดีตที่ทําำม้อีกไหนอุปธรรมภักกรรมอีกไห น, นชนะ ก, กรรมอีกที่มานําเกิดเนี่ยนะที่มาดูแลมันตัดใจก็นั่งเยอะแยะเพราะฉะนั้นรถนะครมีอุตุ <c oughs> อย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้มาเพิ่มด้วยครับเช่นตัวถังรถอย่างเงี้ยไม่มีอุตุที่ไหนมาเพิ่มเลยมีแต่อุตุมาทําให้มัน มันเผามันมันอะไรมันคือพอได้รับอุตุนี่นะมันก็จะขยายตัวหดตัวขยายตัวหดตัวเรือยอย่างนี้นะมีอย่างเดียวครับมีขยายกับหดนะเนี่ยนหะนักๆเข้าก็หมดคุณภาพนนไม่มีมาเพิ่มอ่ะไ ม, ไม่มีเพิ่มแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเพิ่มนี่นะส่วนในสัตว์กรรมนี่อย่างน้อยหนึ่งกรรมหล่อเลี้ยงก่อนส่วนจิตก็เป็นบริวารอุปธรรมอาหารด้วยอุตุด้วยเนี่นะเข้ามาอุปธรรมบริวารแต่ถึงกันนั้นก็ตาม คนดีควรดูหมิน่นอายุที่มันน้อยเสียเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไล่ไปสู่ความตายตลอดเวลาเนี่ยนะนั่งก็ตายยืนก็ตายเดินก็ตายนอนก็ตายไม่รู้ว่าจะใช้อิริยาบทไหนก็ตามคือใช้ไปชีวิตไปสู่ความตายหมดเลยเนี่ยนะนะจะโง่เง่าที่สุดปัญญานิ่มที่สุดจนถึงไม่รู้ภาษาอะไรเลยกับฉลาดที่สุดรอบรู้ที่สุดระดับพระพุทธเจ้า เหมือนกันหมดคือเดินไปหาความตายเหมือนกันจะใช้ชีวิตไปทําอะไรก็ตามเดินทางไปสู่ความตายเหมือนกันหมดเพราะอะไรว่าที่สุดของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสลายแน่แบบนั้นเถอะอันศัพท์ว่ารูปนะจริงๆแล้ ว, ว่าตามพยัญชนะเนี่ยแปลตรงตัวเลยแปลว่าซึ่งสิ่งที่เสื่อมสิ้นสลายไปเพราะวีโรที่ปัจจัยนะแล้วว่าเอาจนตายนะไม่เลิอกอ่ ะ, ะเพราะฉะนั้นชาติก็บอกว่าแกนำํำชาตินะบอกฉันจะนําเกิด ชรามบอกว่าฉันจะซ้อมเองนะนะฉันจะเผาเองพยาที่เขาบอกเออไม่ไรเดี๋ยวฉันจะช่วยจัดการให้นะเอาให้งอมเลยมรณะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันตัดหัวให้ไม่ต้องห่วงเนะเอาตาอะไรนะเสร็จแล้วก็ล้อมใหม่ไม่รู้จะไปเกิดเป็นอะไรไม่รูนะหัวส่วนหัวจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเกษาเนี่ยผมไม่รู้ผมทรงไหนอีกก็ไม่รู้โลมาเนี่ยขนในส่วนไหนมากกรือส่วนไหนน้อยก็ยุ่งกันมั้ยเล็บเนี่ยไม่ใช่จะรู้เล็บชนิดไหนก็ไม่รู้นะ เล็บแบบตะกุยหรือว่าเล็บแบบไหนก็ไม่ทราบฟันนี่ก็ไม่รู้ว่าเขี้ยวมันจะยาวขนาดไหนก็ไม่ทราบนั่นนะผิวหนังก็ไม่รู้ว่าหนังชนิดไหนขนที่มันตามร่างกายก็ไม่รู้ขนแบบไหนเนี่ยนั่นนะพันก็พันเอกศึกษาเรื่องกรรมไว้ให้ดีๆเนี่ยซึ่งโครงสร้างในสรีระแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่มาจากกรรมเดียวกันอันนรถเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่ได้มาจากโรงงานเดียวใช่ไหมรถหนึ่งคันนะ ไม่ใช่โรงงานเดียวว่ะเขาบอกว่าทุกอย่างมีสารพัดอยู่ในที่นั้นแล้วบ่มปรุงกันขึ้นไม่มีเอามาจากโรงนั่นบ้างโรงนี่บ้างมาผสมแต่ว่ามันเครือข่ายบริษัทเดียวกันนะก็เลยเอามาผสมกันเป็นรถยี่ห้อต่างๆได้นะมนุษย์ก็เหมือนกันไม่ได้มาจากกรรมชนิดเดียวกันเนี่ยนะไม่ได้จากกรรมเดียวกันแล้วอาหารก็ไม่ใช่อาหารจากแหล่งเดียวกันชนิดเดียวกันตลอดใช่ไหม จิตด้วยยิ่งไม่ใช่จิตเดียวกันเลยนะไม่รู้ว่าวันหนึ่งคิดกี่สรารพัดเรื่องก็ไม่รู้มันก็เป็นปัจจัยให้เป็นไปยอยู่อย่างนี้ท่านไม่ได้มีความมั่นคงถาวร อ, อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนไม่ได้ยกมือห้ามพูดใดผิดกติกาฉะนั้นเมื่อคํานึงถึงใสิ่งปัจจัยเข้ามาีแล้วนะจิตแต่ละขนาดเนี่ยย่อมไม่เหมือนกันถูกไหมก็แล้วแต่อารมณ์อะ ก็มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างใช่ไหมครับอยู่ที่อย่างน้อ ย, ท, อยที่สุดแต่ละดวงเนี่ ย, ยคุณสมบัติแม้แต่เป็นจิตประเภทเดียวกันก็ต่างกันนะเช่นจิตเห็นนี่ก็กับจิตได้ยินเนี่ยนะชาติวิบากเหมือนกันแต่ว่าวัตถุต่างอารมณ์ต่างความสามารถก็แตกต่างกันไปถามว่าสังเกตจากอะไรสังเกตจากเวทนาที่มันเกิดขึ้นเพราะบางคนเนี่เห็นปั๊บเนี่ยเครียดเลยใช่ไหมพร้อมที่จะเครียดหรือพร้อมที่จะดีใจก็ได้เสียใจก็ได้ หรือเสียงหนึ่งคําพร้อมที่จะดีใจก็ได้เสียใจก็ได้สังเกตที่เวทนาก็จะทราบว่าจิตทั้งหลายที่มันเป็นปัจจัยแก่ภาษาและเวทนาเนี่ยก็มาจากแหล่งที่แตกต่างกันไปนั่นแหะคือผู้ที่พิจารณาเนี่ยไม่ใช่ว่ากําหนดแช่อยู่ในวัตถุอันใดอันหนึ่งอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะธรรมชาติทั้งหลายไม่ได้มีความอยู่คงไม่ได้คงที่มีอะไรไม่มีค่าคงที่เลยนะียสังขารนี่ไหมที่มันมีค่าคงที่ไม่มีการปรับตัวเลยนะ ไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยเนี่ยนะเป็นไปตามปัจจัยดํารงอยู่ด้วยปัจจัยเนี่ยนะปัจจัยนี่มันพัวพันอ่านะนิทานนัทโถสังโยคัทโถอ่ะคือสมุไทยมันพัวมันพันมันผูกมันมัดมันล้อมเอาไว้มันก็สร้างใหม่แต่ว่ามันจะสร้างชนิดไหนขึ้นมามันก็ข่าคงตัวคือไม่เที่ยงนะนะก็ภาชนะที่สมมติว่าหม้อดินอ่ะเอามาปั้นนะจะใช้ดินชนิดไหนมาปั้นมันก็ มันก็แตกอยู่ดีในที่สุดหม้อดินมันก็ต้องแตกจะเอาช่างฝีมือขนาดไหนมาปั้นหม้อดินก็ก็แตกมนุษย์ก็เหมือนกันเห็นไนมเมื่ออายุมันจะเท่าไหร่อย่างยุคนี้ด้วยอายุมันน้อยเต็มทีแล้วก็สมัยโบราณนะกลัวเสือกลัวช้างนะเมื่อกีกกี่ปีก็ไม่รู้ได้ข่าวว่าเสือกัดตายตัวใช่ไหมโหกลัวงูกันมากในชะ่ไหมมังงูมันกัดตายนะสิบปีจะได้ยินคนงูกัดตายคนหรือเปล่ากนไม่รู้ แต่รถเราไม่ค่อยกลัวใช่ไหมชนกันตายอยู่ทุกวันเราก็ไม่เห็นค่อยกลัวอะไรกันมันจริงๆแล้วอะไรเรียกว่าปัจจัยแห่งความตายโบราณกับยุคนี้เนี่ยนะยุคนี้มากกว่าเยอะเนี่นะแล้วก็เป็นสมัยที่ผลิตอาวุธเก่งมากแลนะนะไม่ก่อนมีห อ, อกนะนะโอ้ยวิ่งมาจะจิ้มกันได้เนะี่ยยากเย็นเต็มทีสมัยนี้ไม่ต้องแล้วอยู่ประเทศคุณประเทศชั้นก็ฆ่ากันได้แนละ้วเนี่ย ก็เลยทําบาปกันได้สบายๆมากอ่านะกาหนดหูก็ลักษณะเดียวกันนะจมูกลิ้นกายแล้วก็มาส่วนใจนะก็มีเพิ่มว่าพโยคาวจรย่อมกําหนดใจในภายในอย่างนี้ว่าใจเนี่ยเกิดขึ้นเพราะวิชาเน้นภวังอะนะผวังวให้เกิดเพระาะวิชาใช่ไหมเกิดเพราะตัณหาเกิดเพราะกรรมเกิดเพราะอาหารคือภัสสอาหารจิตเนี่ยถ้าไม่มีภัสสะผวังจะเกิดได้ไหม ไม่มีผัสสะนะจิตจะเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะต้องอาศัยนามรูปอยู่แล้วจิตนี้ต้องอาศัยนามรูปเพราะนั้นผัสสะก็เป็นผัสสะหารที่ทําให้เกิดจิตคือจิตนี้ให้รู้เถะว่าดํารงอยู่ด้วยเจตสิกทุกดวงในนั้นยกจิตดวงไหนขึ้นมาก็ตามนะเจตสิกทุกดวงในนั้นอย่างน้อยเป็นสัมปยุตต ป, ปัจจัยให้จิตเกิดก่อนเนี่ยนะก็ต้องดํารงด้วยเจตสิกเหล่านั้นทั้งหมดนะแต่ที่เด่นๆคือผัสสะหารกับมโนสันเจตนาหาร จริงๆแล้วก็ยังอาศัย อ, อื่นๆ อ, อีกในชะ่ไหมอาศัยวัตถุอาศัยอารมณ์เนี่ยนะถ้าทั้งวัตถุอารมณ์และอุปนิสัยด้วยนี่ถ้าอย่างอุปนิสัยสมมติว่ากุศลจิตนะถ้าไม่ตั้งอุปนิสัยไว้มา ก, กนะกุศลจิตเกิดต่อไม่ได้นะถ้าไม่ตั้งอุปนิสัยเอาไว้เนี่ยเช่นกุศลจิตที่เป็นมหากุศลในการฟังธรรมเนี่ยนะถ้าไม่ตั้งจิตเอาไว้เนี่ยไม่รู้จะฟังตลอดจบเรื่องหรือเปล่าก็ไม่ทราบ น, นะ เพราะว่าอาจจะรีบไปซะก่อนอย่างเงี้ยมีในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีอุปนิสัยจะบรรลุมรรคผลอยู่ด้วยแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาฟังทำนานอะไรจะมาแป๊บเดียวก็จะรีบกลับแล้วเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าวันนั้นเทศนะพ อ, องค์ก็บอกว่าถ้าเข้ายรอฟังจนจบกระทงความนี่ยเขาจะบรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ว่าเขารีบกลับซะก่อนแต่นั้นก็ได้ประโยชน์แล้วสาหรับเขาเหมือนันนั่นแสดงว่าความตั้งใจเนี่ยนะส่วนอุปนิสัยนี่สําคัญมากนะ ความตั้งใจนี่ก็สําคัญถ้าตั้งใจไว้อ่อนสิ่งที่ทํามันก็แผ่วเบาไปด้วยนั้นอตัตตะซ้ำมาปณิที่นั่นแหละคืออุปนิสัยนั่นะคือตั้งไว้ชอบก็เป็นอุปนิสัยตั้งไว้ผิดก็เป็นอุปนิสัยโดยอุปนิสัยตัดใจเพราะจิตเนี่ยเกิดแล้วใจเนี่ยเกิดแล้วก็เกิดโดยอัตถากับโดยสัน ต, ติผวังเนี่ยนะถ้าเรามองในแง่ผวังเนี่ยสัน ต, ติของภวังของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน อันนี้ว่ายาวกว่านนะคนหนึ่งหลับกี่ชั่วโมงกัอนอันนี้ว่าโดยสันตตินะี่แต่ละคนเนี่หลับไม่เท่ากันในะวันหนึ่งแล้วเวลาหลับก็ไม่เท่ากันก็บอกถึงสันตติของภวังแต่ละช่วงแต่ละช่วงแล้วก็จากเห็นไปได้ยินบางคนเนี่กว่าจะคิดอะไรได้นะโอ๊ยอยู่ตั้งนานนะเมย์ อ, อยู่ตั้งพักใหญ่นะหมายคำว่าเข้าผวังไปตั้งเยอะแยะไปหมดกว่าจะนึกอ๋อนั่นเองนั่นก็อันนี้ผวังมาขั้นนั้นผวังนี่ก็ขั้นในแต่ละวิถีเป็นต้นเนี่ย อันนั้นก็เป็นสันตติของผวังที่วัังข้นนานนก็ปัจจัยมันเยอะอย่างว่าน ะ, ะคือกกไม่ต้องว่าชอบหลับก็ได้คือผมคิดว่าชีวิตคนเนี่ยมันเหมือนเล่นเกมถ้าทำดีจะไปขึ้นสวรรค์ทำไม่ดีจะตกนรกมันเป็นเกมที่จะต้องเล่นเป็นหักลูปฟ้าดีนะถ้าเราไปที่ป้านี่เลิกเล่นไปเลยเลิกเล่นเกมชีวิตอยู่ตรงไหน ผมคิดเองถึงว่ามิหน้าคิดตามไม่ได้เล่นเกมมาชีวิตเนี่ยเหมือนเล่นเกมจะไปให้พานก็เลิกเล่นถ้ายังเกิดเวียนว่ายตายเกิดต้องเล่นเกมนี้หนีไม่พ้นทำดีก็ขึ้นสวรรค์ทำไม่ดีก็ลงนรกอ่ะใส่ตรงนี้นิดนึงครับคือก่อนที่จะถึงมโนทวาราวัชนาจิตนะครับคือ หลังจากมโนทวาราวชนาจิตแล้วเนี่ยก็จ ะ, นะจะเป็นชวนะเป็นชวนะเป็นเป็นมโนวิญญาณคอาเป็นมโนวิญญาณเป็นะมโนวิญญาณนี่นะตัวมโนวิญญาณนี่นะฮะอาศัยธรรมะและมโนเนี่ยเขาเชื่อมกันตรงไหนครับเชื่อมตอนที่เป็นภวังหรืออไรครับคือเขาเขาไม่ได้มาเชื่อมแบบแบบแบบต่อออก <c oughs> แบบอะไรเนี่ย คือพวังเนี่ยนะพื้นฐานว่าหนึ่งพูดแบบภาษาง่ายๆคือหนึ่งเขาไม่หลับหรือพูดในหนึ่งคือเขายังไม่ตายอ่ะนะเขาพร้อมที่จะมารับรู้อะไรก็ได้เพราะพื้นฐานว่าเขายังเป็นเรียกว่าเป็นคนเป็นเนี่ยนะพูดแสดงว่าพวังนีอยู่ก่อนมโนทวาราวันะจิตอ่าใช่แล้วก็มโนทวาราวันะตอนนอเป็นอายุชนักกาตอนนั้นจริงไหมครับก็คือว่าเรื่องมีอยู่แล้วใช่ไหมเช่เช่นว่าเรื่องราวนี้มีอยู่แล้ว ที่จะให้อายิบมาคิดก็ได้เรื่องอาจจะาอดีตอนาคตรเรื่องราวแล้วก็มีอยู่แล้วธรรมะ ม, ม, มีอยู่แล้วธรรมะมีอยู่แล้วทีนี้<ห>นพื้นฐานคนเนี่ยคือเขายังไม่ไม่ตายพร้อมที่จะตัดกระแสพวังมารับรู้ก็ได้เหมือน <ๆ S 1> อย่างว่าไอไอไอมันมีงานประชุมหรืองานอะไรที่หรืองานคอนเสิร์ตนะหลับก็หลับไปพตื่นขึ้นมาก็รับรู้ต่อได้เลยก็สองสองอย่างนี่มันอยู่อยู่แล้วเนไเพราะมโนวิญญาณพร้อมที่จะเกิด เพื่อนเอกในหนึ่งนะเราพร้อมที่จะคิดอะไรก็ได้มโนวิญญาณนั้นต้องมีอารมณ์ถูกไหมครับอารมณ์นี้คือตัวธรรมะถูกไหมครับเมื่ออารมณ์คือตัวตัวธรรมะเนี่ยธรรมะนี่เขาเป็นอายนาเชื่อมกับมโนตรงนี้มัยังไมได้ไปออกมันไม่ได้ไปเชื่อมแบบแบบเราคิดอยู่แล้ว นะไอ้ตัวนี้อาวัชนะเนี่ยเป็นตัวนึกเองตัวรำพึงถึงอารมณ์เองเนะพอตัวอาวัชนะไปรำพึงถึงอารมณ์ปับ๊บมันก็อารมณ์ก็เป็นปัจจัยก่จิตทันทีเลยไอ้มโนวิญญาณอันนี้ก็พร้อมที่จะเกิดเห็นไะหคือพื้นฐานเนี่ย ผวังเนี่ยมันตัดกระแสพวังก่อนใช่หทีนี้ไอ้ตัวอารมณ์เนี่ยมันมันมีอยู่แล้วเพราะว่าไม่เกี่ยงการนะทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเพรา ะ, ะนั้นไอ้ตัวอาวัชนะก็มันปาราถึงอารมณ์นี้แต่ว่าอารมณ์ใดๆที่ที่อาวัชนะจะนึกนะอาวัชนะก็เกิดจากปัจจัยโดยเฉพาะปากตูปะอาวัชนะนี่เป็นอพยกระตะนี่ไอ้ปะกตูนี่เป็นกุศลก็ได้ อกุศลก็ได้อัพยากะตะก็ได้เช่นทำไมเรานึกอะไรได้ทำไมบางอย่างมันนึกไม่ได้ไก็อยู่ที่ว่าก่อนหน้านี้มาเไมมันลักษณะว่าตัวภวังเนี่ยเป็นพื้นฐานแค่ว่ารองรับอ่ะ น, นะมันเป็นทวารวิมุติอยู่แล้วคือคือตัวมันเองมันไม่ได้อาศัยทวารเกิดแล้วมันไม่มีสิทธิ์ไปรับรู้อารมณ์ันนี้ได้เพราะว่ามันก็อาศัยวัตถุ ของมันอาศัยอารมณ์ของเขาอยู่แล้วนะคือกรมมะอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์เนี่ยพอพื้นฐานก็รักษาเอาไว้เนี่ยไอความที่ระวังตัดกระแสแล้วขึ้นสู่ทวารเนี่ยมันก็อยู่ที่ประตูปานิสยาปัจจัยจะให้อันเนี้ยไปคิดอะไรแล้วก็อยู่ธาตุอันนี้ด้วยนะอัธยาศัยอันเนี้ยในตัวรวังเองอ่ะมันมีรหัสอะไรอยู่ในนี้ตั้งเยอะแยะเห็นไหม พร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้คนนี้ไปอาวัชนะถึงอะไรอาวัชนะไปหาปฏิฆานิมิตก็ได้เอาตัวนี้เป็นปัจจัยให้คนนี้ปรารบปฏิฆานิมิตนิโทสะจริตจะเกิดถ้า อ, อัธยาศัยอันนี้ให้น้องไปหาแต่เฉพาะสุภานิมิตอันนี้ราคะมันก็จะเกิดซึ่งอารมณ์อันนี้ก็คือเรื่องราวในโลกที่มีอยู่แล้วคือโลกของอุปาทานกันธ้ามันมีอยู่แล้ว ก็แปลว่าพร้อมที่จะคิดอะไรก็ได้ถ้าไม่ได้กําหนดชีวิตตั้งแต่ตอนแรกขึ้นมาเพราะนั้นก็คือเขาจึงให้ตั้งอัตตาซ้ ม, มาปณิที่ว่ายังไม่ให้ทานให้ตั้งไว้เพื่อจะให้ทานไม่รักษาศีลก็ตั้งไว้จะรักษาศีลตั้งจิตจะไว้ให้เจริญกุศลเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่ตัวนี้จะได้ไปคิดอะไรที่เป็นความคิดที่มันสมมติว่าสร้างสารรค์เนี่ยนะถ้าไม่ตั้งใจเอาไว้ก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ว่าอย่างทำมโนทวารเนี่ยเราอย่างเราคิดโกรธใไว้เนี่ยมันก็ดับไปมันมีอารมอื่นมันแตกอย่างเช่นฟังธ ล, ล้วกลับไปอาจจะมีจิตโกรตอรใจอะไรให้ให้อารมณ์นั้นมาฟามาเอาไว้ให้รวัะ น, น, นั้นก็มันดับไปแล้วตอบง่ายมากครับออรกนะ็อายุนิโสมาศิการนี่อายุนิโสมาศิการเป็นตัดจาย คือมโนทวารเนี่ยมันรู้อารมณ์ได้ทั้ง3การทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันก็เลยเพราะฉะนั้นเขาสํานวนเขาว่าคิดเลื่อยนะมันเรื่อยเสร็จมาแล้วก็เอาผงเลื่อยมาเลื่อยใหม่ก็ได้แปลว่าคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกก็แค่คิดถึงมันก็คิดนะแค่เลิกคิดมันก็เท่านั้นอ่ะมันอุปมาเหมือนอะไรเหมือนก็เหมือนก็ดูดบุหรี่บอกบุรี่ดูดเลิกยากไหมดูดบุรี่ก็บอกว่าไม่คาบมันก็ตกแล้วว่างั้นแต่แค่นั้นแหละ แต่ทีนี้มันคาบบ่อยคาบบ่อยดูดคาบดูดคาบ ด, ด, ด, ด, ดูดมันก็เลยว่าไม่ไม่ปล่อยสักทีหนึ่งไออารมณ์ทั้งหลายมันก็ไม่ได้มีความต่างกันเพราะาไปคิดถึงอารมณ์นั่นเองอ่ะคือคือไปผูกพันถามว่าอันนั้นเกิดจากอะไรก็เกิดจากอายนิโสมนสิการทีนี้ถามว่าจะแก้ยังไงบอกว่าเรื่องยาวมากเลยว่างั้นเถอะอันนั้เรียนพรหมวิหารยาวบานเลยเพื่อที่จะแก้โทสะเนี่ยนะถ้าแก้แบบแก้แบบท้าวอน่ะนะ แต่ถ้าแก้แบบทั่วๆไปเขาก็แนะนําบอกง่ายนิดเดียวก็อย่าไปคิดมันเขาก็ใช้ศัพบเนี่ยนะครับตรงนี้อย่าไปคิดมันตัดใจเสเถอะประมาณนี้เคที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะธาตุแตกต่างกันภาษาธรรมะใช้คําว่าธาตุแตกต่างกันธาตุที่แตกต่างกันคือโลภะโทสะโมหะโลภะอะโทสะโมหะเนี่ยทางธรรมะถือว่าเป็นธาตุแต่ละชนิด ธาตุเราเนี่ยมันหนักเบาไม่เท่ากันเมื่อธาตุอันนี้หนักเบาไม่เท่ากันเนี่ยจริตมันก็แตกต่างกันอันนี้เฉพาะเฉพาะตัวเจตสิกก่อนนะแล้วต่อไปอีกข้างนอกอีกรับอารมณ์ที่แตกต่างกันมาแต่ทั่วๆไปเนี่ยเขานิยมใช้คําว่าร้อยพ่อพันแม่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อร้อยพ่อพันแม่เนี่ยพร้อมที่จ ะ, ะเขาล่อล้อมอะไรมาอันนั้นแหละคืออย่างหนึ่ง ออน้ำหนักไม่เท่ากันโลภเนี่ยนะเช่นความโลภจะไม่เท่ากันตัวน้ำหนักของความต้องการนะแต่ละคนไม่เท่ากันเช่นเสื้อผ้าเนี่ยนะเอาไนงะอคนหนึ่งเขาต้องการแค่สองสามชุดเขาก็าพอใจละอีกคนหนึ่งถ้าไม่ได้สองสามตู้เนี่ยไม่พอใจอ่ะนะมันมันมั น, มนคือคือไอ้เสื้อผ้าเหมือนกันอะ่ะแต่ว่าขีดความสามารถไม่เท่ากัน อย่างรถยนต์เหมือนกันีคนหนึ่ง เ, เขาบอกว่าแค่เดินทางได้เขาก็พอใจแล้วคนไม่ได้ต้องเลือกยี่ห้อด้วยต้องหลายคําด้วยขึ้นคันนี้ลงคันนั่นอย่างนเงี้ยนะมันก็อันนี้คือคือธาตุแห่งโลภะมันไม่เท่ากันปฏิสนธิมันที่แตกต่างกันไงปฏิสนธิจิตแตกต่างกันเช่นมหาวิบากมีแปดวงใช่ไหม มหาวิบากแปดวงเนี่ยซึ่งมหาวิบากที่ปฏิสนธิครั้งแรกนี่ก็ไม่ต่ไม่เท่ากันนะเพราะหลายเพราะบุญที่เขาทำเนี่ยมันแตกต่างกันบางคนเนี่ยบุญประเภททานมานําเกิดบางคนเนี่ยประเภทศีลมานําเกิดบางคนเนี่ยบุญประเภทภาวนามานําเกิดทีนี้ในโลกของทานเนี่ยบางคนเนี่ยให้สีเป็นทานอันนั้นนําเกิดบางคนเนี่ยเพราะเสียงเป็นทานมาให้ผลนําเกิดบางคนเพราะกลิ่นเป็นทานมาให้ผลนําเกิด บางคนเนี่ยเป็นปาติปกลิกทานนําเกิดบางคนสังกทานนําเกิดอย่างเงี้ยมันเว้ยเรื่องเยอะมากเลย น, น, นะเนีมาเหมือนอะไรเหมือนกับสตังในกระเป๋าแต่ละคนทําไมไม่เหมือนกันถ้าถ้าเปรียบเทียบโอบปมานะทําไมไม่เท่ากันแล้วที่มาของสตังนั้นก็แตกต่างกันแล้วก็แบงก์ก็อาจจะชนิดไม่เหมือนกันด้วยซ้ำไป ม, มีใครรู้บ้างว่าสตังในกระเป๋าตัวเองมีอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกัน เขามาเนี่ยรู้ว่ามันไม่มีอ่ะไม่มีในกระเป๋าเลยอ่ะทำไมจะไม่รู้เช่นมันาขายคุณมีใช้่มาได้ถ้าใครจะมีเสนอคนเด้อเอาไปตักให้ด้วย ผมนี่เขาจะซื้อเสื้อให้ผมไม่เอาผมบอกใสอย่างเงี้ยแค่ดีพอแล้วนั่นแหละน้องจะซื้อเสื้อให้บอกไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบใส่เสื้อไรก็เพราะว่าโทษของมัจฉริยะที่เคยให้ทานและเสียดายในภายหลังก็ไม่น้อมไปใช้ของดีๆนั่นแหละต้องใช้ของเร็วๆต้องใช้ของเร็วๆนะก็บอกว่าเอาก็พอใจก็ไม่ได้ว่าอะไร ต้องใช้ร่มเละๆเสื้อผ้าเละๆอะไรเงี่ยนะนก็คือโทษของการให้ทานแล้วก็เสียดายในภายหลังนะนะก็ไม่ได้ว่าไรเพราะว่ามันก็ตามท่าด่ะ <c oughs> น่ะมันก็บอกว่าเขามีนะในสมัยพุทธกาลนะอดีตเศรษฐีคนหนึ่งนะ <c oughs> งกัตริย์ก็เยอะนะไม่ใช่ว่าก็มียน้อยอะไรมีมากจนกรวัติบอกว่าอาจจะมากกว่าคนทั้งเมืองด้วยซ้ำไปเสื้อผ้าก็ต้องใช้แบบ หยาบหยาบแบบกระสอบป่า น, นจริงจะใช้ได้ไปใช้ประณีตประ น, ระนีก็ใช้ไม่ได้อาหารต้องใช้แบบหยาบหยาบนะจึงจะกินได้แล้วละเอีย ด, ดแบบคนนี้กินไม่ได้รถก็ต้องไปหาอะไรที่มันเก่าๆมอโซเต็มทีแนละ้วจึงมาใช้ได้แบบนั้นเถอะถามว่าพง์ก็บอกว่าอดีตชาติคือเขาทําบุญแล้วเขาก็เสียดายในภายหลังเนี่ยนะมัจฉริยะรุนแรงมากเมื่อให้ทานไปแล้วนะ อันนั้นแหละกรรมมันนั้นแหละเป็นปัจจัยเพราะนั้นไอ้บุญที่ให้ก็มันก็ให้ได้รับวิบากแหละแต่ทีนี้ไอ้ด้วยบุญที่ทําให้ด้วยความเคารพเป็นต้นน่ะนะก็ทําให้ไม่น้อมไปเพื่อบริโภคของดีๆแต่ในขณะเดียวกันอ่ะนะถามว่าอย่างนี้ดีกว่าพวกที่ไม่ค่อยมีแล้วรสนิยมสูงอ่านะถ้าแง่นะก็ถามว่าในแง่ดีดีไหมก็ดีดีกว่าคนไม่มีแล้วก็รสนิยมสูงอ่ะนะเพราะมันจะนํามาซึ่งไปทําบาปอย่างอื่นอีก มีแล้วไม่ค่อยใช้มันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกไอ้สาคัญว่าไม่มีแล้วสแสวงหามาใช้ด้วยแล้วก็ทําบาปทํากรรมอ่ะนะกว่าจะได้เพื่อรสนิยมสูงๆเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีถ้าอย่างนี้นี่คนที่มีรสนิยมสูงแสดงว่าสร้างบุในอันนี้ไม่ใช่ในแง่บุญในแง่ว่าโลภะ ป, ปัจจุบันมันมีกําลังสูงมากแต่คําว่าเมื่อกี้เนี่ยหมายความว่าคนที่ทําบุญแล้วเขาน้อมไปใช้ของดีๆคือเขาใช้สมควรแก่ฐานะ เห็นไหมเช่นว่าคือใช้สมควรแก่ฐานนะว่าอยู่ในเช่นว่าเสื้อผ้าควรจะนุ่งห่มแบบไหนที่มันเหมาะสมไม่ใช่ว่างานไหนก็เนี่ยผ้ากระสอบป่านอยู่ชุดเดียวนี่แหละนไจะแต่งงานงานศพงานงานอะไรก็มันก็กระสอบผ้าชุดกระสอบป่านอยู่ชุดเดียวนี่แหละมันไม่ใช่ทําตัวแบบนั้นนะงานไหนกางเกงขาสั้นอยู่ตัวเดียวนะบางคนลักษณะนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นนั่นคือหมายว่านี่ผลอันหนึง่ง มหมายคือว่าครูที่ใช้เสื้อผ้าตามกาละที่มันเหมาะสมอนะตามความเหมาะสมอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้หมายถึงว่าอันนี้ผลบุญลักษณะนั้นแต่ถ้าคนไม่มีแล้วแหมสแสวงหาแต่ของดีๆใช้อันนี้ไม่ใช่เป็นผลของบุญในอดีตหมายถึงกิเลสในปัจจุบันเนี่ยะนะ